พระธรรมเทศนาจาดกเรื่องนางนวนคำผูกที่สองเรียบเรียงใหม่จากต้นฉบับเดิมเมืองเจียงตุงโดยอินสมชัยชมพูปเปียนทำพุกประโยกนัดทำเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเจียงหฮอะโมตสตาภาะกวโตอราโตสัมมาสัมพุทธสั ตโต่อปารังอารติเอกาปตังลาพิตติสาทาวูดุราสาปุริสาตังลายตั้งหนิงใจน้อยใหญ่อันบักไฟตังบุญเฮต้านนนใส่บาดบ่อละขาดยังสินย้อนอาจินใจสอดไข่ถึงยอดเนระปาน จิงละการมวลโมเข้ามาสู่อารามแปลงใจงามจมื่นยืนย่อมือยืนฟังธรรมจุงดาจำติดต่อตามบาดคอบาลีว่าตะโตปรังดังนี้แดเต ตโต่อปารังทัดแต่นั่นไปนาบอ่อเนินจ้าหึงนานางนงคานยอดส้อยงามจื่นจ้อยโอรดีกาลมีมาไข่ก็พาสุดใดบุตรตามีหลักคานาถูกทวนงามเลิดล้วนเป้องแฝงเศษที่แยงพอเลว้ว ใจฟ่องแผวเจยจมอภิรมหักมากิงออกปากไรจาว่าของนานามวนหมู่อันมีอยู่เหลือลาย <c oughs> <c oughs> คกือว่าค่ายจางมาตั้งพื้นแผ่นผ้าเงินคำจักย่อตั้มไห้ท่าฮือลูกลาใจเดียว บ่อเกิดเล้วลูกเก่าคือสองนอเนาเดิมออนแล้วใส่น้ำมาก่อนจื้อซอยวายนอนน้อยรัตนกุมารเอาแก้วดวงคานเก่าตื้อมัดมือฮือทุนขวันฮักแปงปั้นลูกลาลำยิ่งกว่าสองใจ ได้ปีปลายมารอดเจ้าน้อยยอดรัตนากุ ม, มารจำเริอนบ้านขึ้นใหญ่เตียวอย่างใดไปมาหูเ <c oughs> อ, อืออาตาันต่อเศษที่พอเพิงใจบอไปไหนสักเตืออยู่รังเรือแก้มอง์ย้อนใจหลงเมียน้อย อันจังอ่อยมาญยาหลวดจังสุราเมฆาลูกเก่าตั้งน้องเนาตาสะวราใจปาลากะยาบถามขาลาบคับนี้ส่วนนางโอรดีนั่นไสกันบันไดบุตรตาหลวดบอกคุณนาปีน้องสนซอฟองตั้งวันพ่อบอ่ตันกุดไข เป็นมือใส่สันหลังจาอึ้งอังแจ้งดานิ้มพอนาสองใจเลือกตาภายดาปากว่าสูนี่หากเหลือกรรมสององคำปีน้องให้รำร้องตั้งวันเต่าเอากันลีกลีไปอยู่ตีไกตาพื้นเกหาไตล่างบ่ไมีว่างเจยบาน ย้อนนางมานแม่นาจมแจ้งดาหลายแสงป่อเกยแฝงแต่ก่อนก็บหอนคุณนาสองโสผ้าน้องปีนาบอกกี่สักวันเหตุตกวันทางตองในแห่งห้องหอระไทยอดอยู่ไปคำเจ้าก็ถึงแม่เจ้าตั้งวันก็มีหันและนา เอเอกุมมาราันวาสองกุมมารปีน้องตุกงโสอตองเหลือลายย้อนแม่ไตผักนาได้แม่น่ามาแตนมีกำแกนบ่เหือทอนไม่เดือดตั้งวันยามปะกันลีกลีไปอยู่ตีไก่ตานางแบบนาแม่น่า ก็ดาวาลายแสงจากกำแข่งสนสอบคือปอเศรษฐีว่าลูกบอดีขี้ข้านแ อ, อลาบ้านนีการกันสองกุมมันปีน้องเล่นในห้องเกหานางปลาลาแม่น่ากอดาวาบุตรีว่าสูบอดีลำรน เล่นเล่นหล่นบนเฮือน ห, อห่อเงินเฟือนหยาบยุ่งเคื่องควาฟุ้งเป้ังเสียงนั้นดังคาคืนลูกกูตื่นตกใจสู่จุงนี่ไก่ ย, ย่าจ้ากูจกฆ่าสู่ตายนางผี่้ายบอบเร้าดาตีสองเจ้าจูวันวันตุกออันนั้นบ่อนออยมาจองห้อยสองสี พ่อเศรษฐีนั่นใส่กอตกอยู่ไตตันหาบอกคุณนาลูกเตาสํำดาตีเล่าตัวจอม <c oughs> สองบุญรอมน้องปีนาบอกกี่เจอย้านตั้งอาหารขับเขาบอเป็นเจ้าแลงง่ายกันนางผีภายบับไป กินอิ่มใส่ตัวมันจริงจักปันสองเจ้าือกินสาเก่าปลายลังหากเหลือยังแต่กลางจินบ่อข้างมดซอยจำแต่หอยถ้วยเป่ากกินแต่เขาได้ได้ล่างเตื้อควายกึ่งฟ้ากันแม่น่าทำบอ่อไขกำเรียกร้อง แม่นหอนต้องปานได้สองใสใจน้อยนาดก็บบาอดได้กินก็มีฮั่นและนะาเถกาตีว่าสั่งยังมีวันหนึ่งเหล่าสองดอเนาเด็กขาเตียวไปมาเข้าออกเตียวปีกฟอกหลายตี นางกาลีร้องดาว่าไอาตันข้าตายโหงตีบตื่นลงใส่เป็นเขาออกเล่นหาสั่งเตี้ยวเฮือนดังเงยีโยะแม่นยาล่อหากูไอสัตถูตัวถอยไอยขี้ดอยเลือสซอนดู ก, กูนอนสะดุงสติฟุงเววาสุยามาอยู่นี่ จุงหลีกลี่ไปปันขี้ข้านหันแต่ใบไอขี้ไรคนผ่านตีนั่นกุ ม, มารปีเก้าคือว่าเจ้าสุรเมคาฟังคำจาแม่น่าห้องดาว่าเหลือใจจริงจะใครก่าวแก้วว่าหากเป็นแต่กุศลมาบันดลต่อหน้า ได้แม่น่าคิ่งรามนาตางามเจื่เนยาวสืบเจือเต้าผาปุรีเงินคำมีนักโสดได้มาผพดเรารานางบาปนาแม่น่าฟังคำว่าเลือหูดังขี้ไก่ทูดังบอกมันเล่นออกบัดเดียวบิดแขนเดียววัดวาด เป็นมือฝาดสันหลังตินขานังซ้ำเล่าสองนอเนาด้าตายนังผีพ้าย่าผ่อนเคียนสองน้อยอ่อนตัวจอม <c oughs> สองบุญรอมอ่อนน้อยเลือดปอย่อยเป็นสายร้องไหว้ตั้งกูเล่นไปสู่เศรษฐี ใครตามีบอกป่อว่าจุงเล่งพ่อบุตตาจากมราณาความนานยนแม่นาบุตรีส่วนเศรษฐีผู้ป่อส้ำดาสองนอลายแสง ว่าสูหวัวแข็งเจนกว่ากวนตันดาและตีสูบดีสอนยากจุงรีภาคเสียไก่กันอยู่ไปนัินจ้ากูเตียงค่าสู่ตายสองคำใจน้อยห น, อ, ยหนอฟังกำป่อใส่ใจน้ำตาไหลย่อยยาเจ้าน้อยหนาสุรเมคา ก็จงหัดทาผู้น้องเนี่ยจากห้องลงเฮือนหัวใจเฟื่อนแก้นกังน้ำตาลังเป็นทายจุงมือใจน้องลาเอาลากว่าในส่วนของได้วนกินได้ือลูกไม้หัวมันก็ยื่นปันเหือน้องกินตุนต้องเอาแรง สองจอมแป้งพี่น้องยินฮ้อนต้องด้าตายนางผี่พายแม่น่าใจหยาบจ้าปานผีตั้งเสรธจีผู้พ่อบอกมาตานต่อจะใครบ่เรียกไปกินข้าวตั้งแต่เจ้ายามง่ายถึงตาวันหายคำลาหลงลับปาตันตาสองเด็กขาพี่น้อง จิงก่อยขึ้นสู่ห้องบนเฮือนซ้ำบ่เมือนดังเก่านางบาปเศร้าปลามีโกท้าบอกขาดเอาแสพปาดบุกตีคือสองสลีปี่น้องอยู่นอกห้องกางจานสองกุมมันน้อยนอกก่อเอินบอกพ่อสิทีว่าแม่บุกตีลูกเต้า ขอป่อเจ้ามาก้ยมีแต่ห้อยไม่แซ่เจ็บนักแก่เดือด้ายเนื้อตัวลายจำาัดเหลือดย้อยหยาดแดงแพงขอป่อแป้งทีไว้เอาอยาใส่ปันราแดดเตอ ที่นั่นเศรษฐีผู้ป่อฟังคำนอบุตรตาอันใครจะจมฟ้องอยู่นอกห้องกลางจานใจมันหานหฮา ห, าหาดัดย้อนอำนาจตันหาบอปีญาลวกเต่าเอาใจเขาาเ้าตังเบี้ยเท่าตาเพีย้ยยาจ่าซ้ำร่องดาพระพาย ว่าสู่ห้าลายเหลือหลากสู่สอนอยากเหลือคำสอนบ่จำบ่จื่อกูจักคือสู่ตายตั้งสองใจพี่น้องจุงนอนนอกห้องกลางจานเศษที่มันผูกปอบ่าต้านต่อยาวไปกำบอนใหญ่ลูกเต้าบ่าดังเข้าถึงหู มันฮับผตัวไหวมันใส่แสดันไปในหื้อใส่ใจปีน้องนอนดอก้องจันเฮือนก็มีหันเลยนะเอโอโอพ่อกุมมาราส่วนสองกุมมานปีน้องนอนดอกหองกังจานรำกำพานหลายแลให้หาแม่เดิมอ่อน ว่าแม่เมื่อม้อนตายกว่าฮือแม่น่าบุตรีส่วนเศรษฐีผู้ปอก็บอกพอปัดหัวละยังตัวข้าหลูกฮือตกถูกเหลือใจ กึ่ดถึงงในหลวงแลวยามแม่แก้วยังคนบ่อตาร้นกันอยาก บ, อบา่อลาบากเครื่องกาถึงยามมาเมื่อเจ้าแม่ยืนเข้าป่าปันถึงองยามวันมาไข่แม่นางไกเฝื่อแฝงถึงยามแร้งเมื่อคำแม่อับนาคัดสียามไรท้ทีมารอดแม่นอนกอดเรารา บัดนี้นะาแม่แก้วตายจากแล้วหายซอยไปเดียวปอยกว่าจอยละลูกน้อยตกผ่านจิตวติญญาณแห่งแม่ไปอยู่แก่เดนใดขอเร็วไว้อย่าจะมาเอาคาสองใจเฮ้อได้ตายตั้งกูได้ไปอยู่จอมกันอยู่ตั้งวันนี่เรา ลวกเต้าบองขีแม่หน้าตีและดาป่อก็ว่านำนาปูนคุณน้าน้องน้อยให้ข้าคอยตั้งวันยุงกบคันบ่เหือดมัดและเหือดเดือลายตัวเล่นไล่ผ้าพอยเสื้อขาด้อยกาญญา ดังบุตตาไยไต้เชือถอยไรคนผ่านสองกุมารปีน้องจ่าจมฟองนานาหนอกแกหาเฮือนใหญ่ย้อนเอาไม้เลือใจน้ำตาไหลตกตอดปีน้องกอดกันนอน ดึกอ่อนจนมาไข่หนอพระติไวบุญนาก็บอกผ้าตาปีเก้าว่าน้องอยากเข้าเหลือลายเตียงจากตายเป็นแกนคอปีเล่นสแสวงหา เอาอยัางป่าและเข้าของกินเก่าเฮือนไฟอยากคนใดหูหลอดก่อยรักสอดเอามาเขาสากมาไต่ล่างหันเรือข้างตั้งวันเอามาปั่นหื้อน้องได้ตุนต้องบัดเดียวเจ้าตาเขียวผู้ปีฟังน้องจีไข่กำ เป็นตุกนำบ่อโนอยก่อตอบทอยกำไปว่าฟาตุไข่บ่อได้ตันทับไว้นำนาเขาสากมาไต่ล่างก่อบ่อข้างเดือล่อคอสอบน้องจันทร์อดเหยื่อกันบรรเตาสองคนเรากำพา นบอกข้าเป็นดีเหือดยุงมีตอมไตปีจักไหลปั่นายถึงยามไงพวกเจ้าก้อยขอเข้ามากินขอตานิ้นยอดสอยอดใจก้อยหลับนอนอย่ารำวนหลยกว่าตันจกนักดาและตีจักไหลนียกย้ายเราจักทุกรายทมนา สุราเมคาผู้ปีไขรเกาจี้หลายอันรำรำพันที่ถอยหือน้องซอยเตรียมตาหายเครื่องกาหมาัดไม่บ่อร่องให้อื้อข้างสองบุญขวางปีน้องนอนนอกของกลางจานดังคนผ่านต่ำจ้าบ่อบีพาปกตัว เมื่อหมอกมัวเมื่อดุ่มตกลงจุมตั้งคิงสองบุญปิ้งอ่อนม้อยป่ากันม้อยลับไปกอบมีฮันแ ล, ละนาโหนาตีวเสในวันลุนรุงเจ้าอันบาเจ้าสุราเบคา้าก็จุงหัตทาน้องลารีเพ่งกว่าไก่กา จากเกาเหาเฮือนป่อเป็นนาต่อเฮือนไก่ค้อยเตี้ยวไปยังกาดคนละลาดเหลือลายย่อมือภายต่างเกา้าขอยังเขาอาหารเขานมหวานลูกไม้อันอยู่ไกลก้องตาเขาคุณ น, นายยกยืนด้วยใจจืยนยินดี ห้องไขวาตีต้านต่อว่าเศษที่ปอส่องใจผียักภายเข้าใส่ตกอยู่ไตกัมเมียไล่ลูกเสียจากห้องเหียผิดจงโบราณนางผีมานแม่น่ากอถอยจากกาลีส่ควร น, นีละภาคออกไปจากเสียเมือง สองบุนเรื่องพี่น้องก็ปอป่อองเกหาเอาพ่อจานะหลายสิ่งลูกไม่มิ่งหลายอันวางย้ายกันพ่อมวัยกินเหลียงใสบัเดเนี่วน้องตาเขียวแม่นาก่อร้องดาพระพายวาสูให้าลายเดือแหล่ดังพ่อแม่ตกพาน เอ้ขอตานมาดอยดังเจื้อถอยอนาถาสูสองขายาบจ้าเนี้ยยหนาตนกูตั้งสองสูปี่น้องจุงนี้จากห้องไปปัน <c oughs> อย่าเอากันปิกปอกอายน่าออกขึ้นมานางปาละโคตรแก่เอาไม่แสมตียังเจ้าบุญมีน้องซอย เลือดไหล ย, ย้อยเป็นสายเจ้าไหววายร้องไห้เล่นไปไกลพิตาวต่าตนมันดาแม่น่าบุบตีข้าเหลือลายเจ้าบุญภายน้อยหนเอมาะหลังปอเศรษฐีบอกตามีเก่าจี้ฮือแจ้งที่จูพระการส่วนพี่มันผู้ปอบ่อตันต่อสักกรรม บินลังตํำจะควายบ่อวไรายและดีนางกาลีแม่นาก็ด่าว่านานํานอคุณทําจริงภาคนีลาจากปีตาเล่นไปหาปีเก้าโอหมู่เขากับอกน้ำตาตกน้อยหยาด ส่วนเจ้าน้อยนาสุราเมาก็เจียนจาลมเล่าหฮือนล่องเน่าเย็นใจแล้วเร็วไว้บ่าจา <c oughs> จูงแขนน่องลาเตรียมตาลงเกหาเฮือนปอบบ่เหนนาต่อขึ้นหลังน้ำตาพังบ่เหือดร้อนไม่เดือดเลือลาย ย่อมือถ้าวายต่างเกาไวเสิ่งเจ้าขุนอินตั้งนากินนากนำไขวจูกรรมทรณีป้าน้องนี้ละผากออกไปจากเสียเฮือนก็มีห้นแหลนา ามารทังประกาศเซนโตสัทธาศาาสัทธาสัพปัญญุยอดซอยหันบ่าทอยไปหลังอาธานยังไปแจ้งพระจริงแสงเตสานาวาตะโตอุพกุมมาราดังนี้เป็นตน เอกาเวดุราพิโกตั้งลายตนทรงสินใสสะอาดเจือนักผาดทรงยาน <c oughs> ส่วนสองกุมมานกำพาแม่นาดาและที่เป็นตุกขีไม่มาดบองหูขาดตั้งวันจริงปากันนีภาคออกไปจากเกหา สุราเมฆาปีเก้านามนเศร้ามองผ่านย่อมือสารนน้อมไว้ส่งเตปาไทยไปบนตัวสากลแหลงลาพระแผ่นนาปทาวีเตว่าดามีจูห้องไ ข, ข่เขตต้องดงนาคอคุณนาจีจ่องหื้อหูปองตั้งไป ได้นีไกแม่น่าอันอยากจะาสามานแล้ววอนวานไปรอถึงเจ้าหยอดมดานมรณาดวงแล้วว่าลูกแก้วตั้งสองน้ำตาน้องบ่เหือดท่อนไม่เดือดนำนาคอแม่มาจวยกำจูเจ้าขำแรงาย เฮือได้หายหมนไม่เฮือปันใดใจบ้านกันฟอนวานดังมีแล้วเจ้าปีแก้วสุระเมฆากอปาตาสวาวราน้องลาออกเตียยกว่าตามตัง้งสองบุญขวางปนงีน้องมีจาก้องเฮือนตน ไปตามหนตั้งใจนับอ่านได้หลายวันจริงเอากันกาพากออกไปจากทานี้กอมีหันและนา <c oughs> ตาตาในกาละนันไสเตป่าไทยไปบนก่อ บ, บันดลจักจ่องฮือพี่น้องสองขาลงมกกตั้งใ้ เข้าป่าไม้ดงดำเจ้าบุญนำตั้งกู้ลวดเข้าสู่ดงนานกนานาน้อยใหญ่บินซาไส่เนื้องนันนกตัวขันฟังมวลนกเการวนปูนกัวดงข้าทว่าจับคุมพ้องก่อซุ้มเฟื้อยนา ตั้งหงสาเป็ดป่องร้องบีกองดงด้านนกหัวควานเป็นหมูทรับไม่อยู่เนื่องนั้นนกเอียงหันลหลเผ า, าตั้งแขกเตาลายสีนกยุงมีลายแลกลางปีกแผ่พัดมณดอกไพรสนบอ่อน้อยบ้านแบ่งซอยปุนจม สองอูดมกำพาเตียวลัดป่าบุกปาลืมเครื่องกาหมอนเ้าบอกเกิดเล่าถึงเมืองดอกบานเรื่องสาผูตั้งต้นอยู่ย้ายกันมีหลายพันหลายสิ่งกันถ้าหญิงเอาใจล้มปัดไววกิ่งกาหอมจูดานดงดำสององค์คำปีนอง สอตเตียวต้องไปมาแล้วก่อลาจากคันเขาสอดดันดองหลวงไม่ปันปวงหลายแหลตั้งต้นแพร่ใยา่ ย, ายตั้งมากไปหน่วยน้อ ย, อยมากดุนหอยจำลำมากม่วงคำสุขแหมปานดังแก้มสาวจีคุ้ยสุขมีเครือใหญ่มีเต็มไา่ดองดาน สองกุ้มมานพีน่น้องกินอิ่มต้องตามใจก่อยเตียวไปจะใจบอ่อไตหรือเนื้อบ่อกลัวเสือแร่จังบ่อขึ้นอ่างสังกาหย่อนเทวาดาเถือนทองมาจากจ่องบันดลเฮสองคนพี่น้องบ่อขึ้นปองตั้งกู๊ะ มีใจหนัวเจืน่นโซลัดเข้าสู่ดองตันยามตาวันคำลาดาลป่าให้หนนตั้งสองคนปีน้องก่อไปรอดทองลุกคามีชาญหรมกวางนกอยู่สร้างนานำคือไม่ลุงคำต้นใหญ่กิ่งแพ่ไข่สนสาร นกขันขานกูทองเสียงมีกองดงดอนจริงไปนอนอยังจอดเปื่อหิวหอดไม่หายก็มีวันนั้นแหละนะเนธิตังขีญาสังวันนานาวีเศษฐาห้องเหตุนางนวนคำผูกทวนสองกอบังกมสมเร็จเสร็จแล้วเต่านี่ก่อนและ